จเจริญพรท่านผู้มีจิตเมตตากรุณาใจบุญใจคุศลทุกทุกท่านวันนี้เป็นวันเสาร์ที่6ตุลาคมพุทธศักราช2555เป็นวันที่ท่านทั้งหลายได้ตั้งใจมาวัดเพื่อมาสร้างความสุข ที่แท้จริงให้กับตนเองก็คือความสุขที่เกิดจากการทาบุญให้ทานความสุขที่เกิดจากการรักษาศีลความสุขที่เกิดจากการบาเพ็ญจิตตภาวนาความสุขที่เกิดจากการฟังเทศ ฟ, ฟังธรรมเพราะเป็นความสุขใจการกระทาที่พระพุทธเจ้าทรงสอน ให้พุทธศาสนิกชนปฏิบัติกันก็เพื่อที่จะทำให้ใจสงบพอเมื่อใจสงบแล้วก็จะพบกับความสุขที่แท้จริงความสุขทางร่างกายนี้เป็นความสุขปลอมเป็นความสุขเทียมเนื่องจากร่างกายนี้เป็นของเทียมเป็นของปลอมไม่ใช่เป็นของแท้จริงร่างกายเป็นของชั่วคราว ความสุขที่ได้จากร่างกายก็เป็นของชั่วคราวเช่นเดียวกันส่วนจิตใจนี้เป็นของแท้เป็นของถาวรจิตใจไม่มีวันเสือ่อมไม่มีวันตายไม่มีวันหมดไปความสุขทางจิตใจก็ไม่มีวันเสือ่อมไม่มีวันหมดไปเช่นเดียวกันความสุขทางใจ จึงเป็นความสุขที่แท้จริงเพราะพุทธเจ้าจึงทรงสอนให้พุทธศาสนิกชนไม่ให้ไปหลงกับการหาความสุขทางลาบยศสรรเสริญความสุขทางตาหูจมูกริ้นกายเพราะเป็นความสุขที่ไม่แน่นอนไม่เที่ยงแท้ไม่ถาวรเป็นความสุขที่มีความทุกข์ตามมาเสมอเพราะ สิ่งต่างๆที่เราไปหาไปยึดติดว่าเป็นความสุขนั้นเขามีสภาพที่ต้องเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆเขามีเจริญมีเสื่อมและมีการดับไปเช่นมีการเจริญในลาบยศสรรเสริญมีความเจริญในสุขทางตาหูจมูกกลิ่นกายก็มีความเสื่อมทางลาบยศสรรเสริญ ความเสื่มทางตาหูจมูกร่างกายเช่นเดียวกันเวลาเจริญเราก็ดีอกดีใจแต่เวลาเสื่อมเวลาหมดไปเราก็เศร้าโศกเสียสใจร้องห่นร้องไห้กินไม่ได้นอนไม่หลับเพราะเราไปหลงยึดติดกับความสุขเทียมความสุขที่ไม่ใช่เป็นความสุขที่แท้จริงเป็นความสุขปล่อนนั่นเองความสุขที่แท้จริงเราไม่ค่อย ได้มาสร้างกันมาหากันเพราะเรายังไม่ได้สัมผัสกับความสุขแบบนี้กันนั่นเองถ้าเราได้สัมผัสแล้วเราจะเข้าใจคำที่พูะุทธเจ้าทรงตรัส ว, ว่านัติสันติปรังสุขขังไม่มีความสุขอันใดในโลกนี้ที่จะดีเท่ากับความสุขที่เกิดจากความสงก ถ้าเราทาใจของเราให้สงบได้เมื่อไรเมื่อนั้นเราจะได้เห็นความสุขที่เลิศที่ประเสริฐกว่าความสุขทั้งหลายในโลกนี้เมื่อเราได้เห็นความสุขที่แท้จริงแล้วเราก็จะเกิดความเบื่อหน่ายกับความสุขปลอมความสุขเทียมเราจะเบื่อหน่ายกับการสแสวงหาราบยศสรรเสริญ แสวงหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายเราอยากจะมีเวลาหรือทุ่มเทเวลาให้กับการหาความสุขทางจิตใจเวลานั้นก็จะเป็นเวลาที่เราอยากจะเข้าวัดแต่วัดที่เราจะเข้านั้นต้องเป็นวัดที่สงบวัดที่มีการปฏิบัติจิตภาวนา วัดที่อยู่ห่างไกลจากแสงสีเสียงห่างไกลจากราบยศสรรเสริญถ้าไปอยู่วัดที่ยังอยู่ใกล้กับราบยศสรรเสริญกับแสงสีเสียงก็จะไม่สามารถทำให้เกิดความสงบสุขทางใจได้ผู้ที่พบกับความสุขทางใจแล้วจึงชอบติีกุยเวกชอบอยู่ตามลาพังชอบอยู่ที่ห่างไกล จากแสงสีเสียงจากรูปสิ่กิจลดผลภพทั้งหลายพอเห็นแล้วว่าเป็นความสุขเทียงไม่ใช่เป็นความสุขที่แท้จริงเห็นแล้วว่าความสุขที่แท้จริงก็คือความสงบของใจนี้เองที่จำเป็นจะต้องอยู่ห่างไกลจากสิ่งต่างๆทั้งหลายเพราะเนื่องจากสิ่งทั้งหลายต่างๆทั้งหลายนี้จะมารบกวนใจ หรือจะทําให้ใจไม่สงบนั่นเองถ้าเราอยู่กับลาบใกล้กับลาบยศสรรเสริญกับรูปเสียงกลิ่นรดลใจของเราก็จะภาวะโผงกังวลกับลาบยศสรรเสริญกับรูปเสียงกลิ่นดลเมื่อใจเรามีความภาวะโผงมีความกังวลใจของเราก็จะเครียดมีความทุกข์ไม่มีความสุข ต่อให้เรามีสมบัติก อ, องเท่าภูเขาเราก็จะไม่มีความสุขกับสมบัติกองสมบัตินั้นเพราะกองสมบัติไม่สามารถที่จะทําใจของเราให้สงบได้นั่นเอง mm hmm. ผู้ที่เจลาจึงไม่ยึดติดกับลาบยศสรรเสริญกับความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายแต่จะปล่อยวา ง, mm hmm. ถ, งถึงแม้จะมีอยู่ ก็ไม่ยินดีไม่ยินร้ายจะอยู่จะมีก็มีไปจะไม่มีก็ไม่เดือดร้อนเพราะมีความสุขทั้งอื่นแล้วมีความสุขที่ดีกว่ารออยู่คือการทำใจให้สงบด้วยการปฏิบัติตามที่พระพุทธเจ้าทรงสอนสขั้นด้วยกันก็คือ 1. ทําทำทาน 2. รักษาศีล สามจเจริญจิตตะภาวนาทำใจให้สงบทำใจให้ฉลาดนี่คือวิธีที่จะสร้างความสุขที่แท้จริงให้แก่ตัวเราคือความสุขใจเวลาเราให้ทานนี้ก็เท่ากับการตัดภาระความวุ่นวายของใจออกไปเงินทองที่เรามีอยู่ ถ้าเรามีมากเกินไปเราก็ต้องกังวลว่าเราจะทำอย่างไรกับมันดีจะรักษาอย่างไรจะทำให้มันไม่สูญหายไปจะทำอย่างไรให้มันมีเพิ่มมากขึ้นมาเมื่อใจเรายังพาว ะ, ะวากับเรื่องของเงินทองอยู่ใจของเราก็จะหาความสงบไม่ได้แต่พอเราตัดเงินทองที่มี มากเกินไปนี้ยกให้ผู้อื่นไปเอาไปทำประโยชน์ให้แก่สังคมจะทำกับวัดก็ได้ทำกับโรงเรียนก็ได้ทำกับโรงพยาบาลก็ได้หรือทำกับใครก็ได้ที่เดือดร้อนที่ตกทุกข์ได้ยากลำบากเราแบ่งปันความสุขให้แก่ผู้อื่นด้วยการเสียสละทรัพย์สมบัติเงินทองที่เราไม่จำเป็นจะต้องมีเก็บเอาไว้ เราก็จะทาให้ใจเราเบาขึ้นมีความสุขมากขึ้นมีความสบายใจมากขึ้นนี่คือขั้นที่หนึ่งคือเราต้องสลสักสมบัติเข้าของเงินทองต่างๆที่เราไม่มีความจเป็นที่จะต้องอาศัยเพื่ อ, อยางชีพของเราให้เก็บส่วนที่เรายังต้องอาศัยไว้สำหรับการยางชีพคือเรายังต้องมีทีู่่าัย มีอาหารมียารักษาโรคและมีเครื่องนุ่งห่มสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งจำเป็นเราจำเป็นจะต้องมีแล้วเราก็จะต้องมีทรัพย์ไว้สำหรับคอยดูแลความจำเป็นส่วนนี้แต่ถ้าเรามีมากเกินไปก็อย่ากเก็บเอาไว้ถ้าจะเก็บเอาไว้ก็ต้องลืมล ม, มันไปอย่าไปสนใจอย่าไปกังวลกับมันว่ามันจะอยู่หรือมันจะไป เผื่อวันข้างหน้าถ้าเรามีความจําเป็นจะต้องใช้มันเราก็ยังอาศัยมันได้อยู่ทําอย่างนี้แล้วใจของเราก็จะเย็นจะสบายจะไม่ฟุ้งซ่านกับเรื่องเงินทองแล้วก็เราก็จะได้มีจิตที่ดีคือจิตที่ไม่โลภอยากได้เงินทองถ้ายังมีความโลภอยากได้เงินทองอยู่ก็จะทําให้การปฏิบัติ ขั้นที่สองนี่ยากลาบากขั้นที่สองก็คือการรักษาศินถ้าเราอยากยังอยากได้เงินทองอยู่เวลาเราทำอะไรเราก็อาจจะไม่กล้าไม่สามารถรักษาศีลได้เพราะเราอยากจะได้เงินทองแทนที่จะพูดความจริงเราก็จะไม่พูดความจริงเพราะถ้าเราพูดความจริงแล้วเราจะไม่ได้เงินทอง หรือสิ่งที่เราอยากได้นั่นเองเรารู้กันอยู่เรื่อยๆเวลาเราไปซื้อข้าวซื้อของนี้คนขายเขาจะไม่พูดความจริงกับเราเสมอไปเขาจะหลอกเราให้เราดีใจให้เราซื้อสินค้าของเขาแต่ความจริงไม่ได้เป็นสิ่งที่เขาพูดบางทีเขานัดวันว่าจะได้สิ่งนั้นสิ่ ง, งนั้ในเวลานั้นเวลานี้ ทั้งๆ ท, ที่เขารู้ว่าไม่ได้แต่เขาไม่อยากจะเสียลูกค้าเขาก็จะพูดไปว่าได้พอถึงวันนั้นเรามารับของก็จะไม่ได้รับก็จะทำให้เราเสียอารมณ์และอาจจะไม่อยากจะซื้อของจากร้านนี้ต่อไปเขาก็จะเสียลูกค้าไปทั้งๆ ท, ท, ที่เขาพยายามที่จะรักษาลูกค้าไว้แต่การรักษาลูกค้าแบบ สุจริตคือโกหกหลอกลวงนี้ไม่ใช่เป็นวิธีที่จะรักษาลูกค้าไว้ได้คนที่จะรักษาลูกค้าไว้ได้ต้องซื่อสัตย์สุจริตต้องพูดความจริงพูดตรงไปตรงมานคนที่เขาฟังเขาจะได้ไม่เสียอารมณ์ไม่เสียความรู้สึกเขาก็ยังจะกลับมาซื้อของจากร้านนี้อีกเพราะเชื่อถือได้นั่นเอง คนที่จะทำอย่างนี้ได้ก็ต้องเป็นคนที่ไม่โลภอยากได้เงินทองถึงแม้ว่าจะต้องทำมาหากินขายค้าขา ย, ขาขายก็จะไม่โลภอยากได้มากจนเกินไปค้าขายเพื่ อ, อยางชีพเท่านั้นเองก็สามารถที่จะไม่พูดปดไม่โกหกหลอกลวงได้คนที่ไม่โลภไม่อยากได้เงินทอง หรือไม่หวงสมบัติข้าวของเงินทองก็จะสามารถรักษาศีลได้ปฏิบัติธรรมขั้นที่สองได้สร้างความสุขใจในระดับที่สองได้คือการรักษาศีลเวลาเราทำทานเราก็มีความสุขในระดับหนึ่งพอเรารักษาศีลได้เราก็จะมีความสุขเพิ่มมากขึ้นไปความสุขระดับทานนี้เป็นเหมือนแบงค์ยี่สิบ แบง้าสิส่วนความสุขระดับสีนิ่มเป็นเหมือนแบงห้าร้อยเป็นเหมือนแบงร้อยเป็นเหมือนแบงร้อยมากกว่าเวลาเรารักษาสีได้ใจเราจะสงบเย็นสบายไม่ทุกข์ไม่วุ่นวายใจไปกับบาปที่เราทําเอาไว้นี่คือความสุขระดับที่สองแล้วพอเราได้เห็นความสุขระดับที่สองแล้ว ก็จะทำให้เราเห็นคุณค่าของความสงบของใจก็จะทำให้เราอยากจะสร้างความสุขความสงบของใจให้มีเพิ่มมากขึ้นเราก็จะสามารถก้าวขึ้นสู่การปฏิบัติธรรมขั้นที่สามได้ก็คือการเจริญจิตภาวนาเราก็อยากจะไปอยู่วัดหรืออยากจะอยู่ที่เงียบๆถ้าไม่ได้ไปอยู่วัดอยู่ในบ้านก็จะอยู่ในห้อง เก็บตัวเอาไว้ไม่ออกไปรับรู้เรื่องราวต่างๆเพราะการรับรู้เรื่องราวต่างๆทำให้ใจเรายังต้องคิดเมื่อคิดแล้วก็เกิดอารมณ์ต่างๆตามมาทำให้ไม่สงบถ้าอยากจะทำใจให้สงบก็ต้องเก็บตัวต้องเปลีกวิเวกไม่คุกคลีไม่รับรู้เรื่องราวต่างๆไม่อยู่ใกล้คนนั้นคนนี้ พอเวลาอยู่ใกล้กันก็จะอดคุยกันไม่ได้เมื่อคุยกันแล้วก็จะเกิดความฟุ้งซ่านขึ้นมาไม่มีความสงบไม่มีความสุขถ้าบังคับตัวเองให้อยู่ตามลําพังได้ไม่รับรู้เรื่องราวต่างๆทางตาหูจมูกลิ้นกายแล้วควบคุมใจด้วยสติคือไม่ให้ใจคิดเรื่อยเปื่อยบังคับใจให้คิดอยู่กับเรื่องเดียว เช่นใช้การบริกรรมพุทธโธพุทธโธไปไม่ว่าจะทำอะไรยืนเดินนั่งนอนทำภารกิจต่างๆก็ให้ท่องพุทธโธไว้ในใจไม่ให้ไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ใจก็จะว่างจากอารมณ์ใจก็จะไม่ฟุ้งซ่านพอมีเวลาว่างจากภารกิจการงานต่างๆก็นั่งหลับตาควบคุม ใจไม่ให้คิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ด้วยการบริกรรมพุโทโธต่อไปไม่นานใจก็จะรวมเข้าสู่ความสงบถ้าใจอยู่กับพุโทโธอย่างเดียวไม่ไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้พอใจสงบแล้วก็จะเห็นความสุขที่เกิดจากความสงบว่าเป็นความสุขที่เลิศที่สุดที่ดีที่สุดพอได้พบกับความสุขที่เกิดจากการทําใจให้รวมเป็นสมาธิแล้ว ก็จะติดใจก็อยากจะปฏิบัติสมาธิต่อไปปฏิบัติเพิ่มมากขึ้นไปเรื่อยๆเพราะเห็นคุณค่าของความสงบของใจเห็นคุณค่าของการนั่งสมาธมิแต่ความสุขที่ได้จากการนั่งสมาธินี้ก็ยังเป็นความสุขที่ไม่ถาวรเป็นความสุขชั่วคราว เวลาออกจากสมาธิมาพอคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้พอเห็นสิ่งนั้นสิ่งนี้ก็จะเกิดอารมณ์ขึ้นมาเกิดความอยากขึ้นมาพอเกิดความอยากใจก็จะเกิดความรุ่มร้องเกิดความกังวลกวายกระสับกระส่ายขึ้นมาถ้าไม่ได้สิ่งที่อยากได้ก็เกิดความเสียใจเกิดความกโกรธขึ้นมาดังนั้นถ้าอยากที่จะรักษาความสงบ ที่ไดจากการนั่งสมาธิหลังจากที่ออกจากสมาธิมาแล้วก็จาเป็นจะต้องใช้ปัญญาเป็นเครื่องรักษาความสงบต่อไปปัญญาก็คือความรู้ที่ตรงกับความจริงถ้าสอนใจให้รู้ความจริงว่าอะไรเป็นอะไรแล้วถ้าใจเชื่อใจก็จะสามารถรักษาความสงบได้ ฉันสอนใจว่าความทุกข์ความวุ่นวายใจต่างๆนี้เกิดจากความอยากของใจเองนี่เป็นธรรมะที่พระพุทเจ้าได้ทรงตัดสรู้พระพุทเจ้าทรงพบความจริงของความทุกข์ความไม่สบายใจว่าเกิดจากความอยากของใจเองอยากในรูปเสียงกลิ่นรสเช่นอยากจะดื่มสุราอยากจะสู่บุรี พอเกิดความอยากแล้วใจก็จะกะวนกวายกระสับกระสายอยู่ไม่เป็นสุขไม่เป็นปกติต้องไปหาบุรีเนื้อหาสุรามาเสดถึงจะระงับความกระสับกระสายความกวนกวายไปได้ชั่วคราวแต่ไม่ได้เป็นวิธีที่ดับความทุกข์ที่แท้จริงเพราะต้นเหตุของความทุกข์ยังไม่ได้รับการชําระยังไม่ได้รับการ ดับนั่นเองก็คือความอยากดื่มสุราความอยากสูบบุหรี่ถ้าอยากจะดับความทุกข์ที่เกิดจากการอยากจะสูบบุหรี่ดื่มสุราก็ต้องหยุดความอยากจะดื่มสุราอยากจะสูบบุหรี่นี้เท่านั้นถ้าเราไม่มีสมาธิเราจะไม่มีกําลังสู้กับความอยากนี้ได้ แต่ถ้าเรามีสมาธิแล้วใจของเราจะสามารถอยู่เฉยๆได้ถ้าบอกให้หยุดหยุดอยากใจก็จะหยุดอยากได้ถ้าสอนใจให้เห็นโทษของความอยากว่าถ้าอยากไปแล้วก็จะไม่มีวันสิ้นสุดเพราะความอยากนี้จะไม่ยุติจะไม่หมดไปถ้าตราบใดเรายังทำตามความอยากอยู่ถ้าเราอยากจะให้ความอยากนี้หมดไป เราก็ต้องไม่ทำตามความอยากทุกครั้งที่เราอยากจะดือสุราอยากจะสู่บุหรีเราก็ฝืนไม่ไม่ไม่ทำตามเรากลับเข้าไปในสมาธิก็ได้เธอทาใจให้เราสบายพอออกอยากสมาธิมาความอยากนั้นก็จะอ่อนกำลังลงไปและเมื่อเราฝืนไปเรื่อยๆไม่นานความอยากก็จะหา ต่อไปเห็นสุราเห็นบุหรี่ก็จะรู้สึกเฉยๆใครจะสูบบุหรี่ใครจะดื่มสุรานี่เราจะไม่รู้สึกเดือดร้อนอะไรเพราะเราหยุดความอยากได้แล้วนั่นเองนี่คือวิธีดับความไม่สบายใจดับความทุกข์ใจของเราไม่ได้อยู่ที่สิ่งนั้นสิ่งนี้ไม่ได้อยู่ที่คนนั้นคนนี้แต่อยู่ที่ความอยากของเรานั่นเอง นี่คือตัวอย่างของความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสแล้วก็ยังมีความอยากมีอยากเป็นพวกเราทุกคนนี้ยังมีความอยากมีอยากเป็นกันอยู่อยากเป็นใหญ่เป็นโตกันอยากร่ำอยากรวยอยากเป็นเศรษฐีนี่ก็คือความอยากที่จะทำให้ใจเรากระวนกวายกระสับกระสานไม่สบายใจเช่นเวลาเราอยากจะลงเลือกตั้งเป็น สมาชิกอะไรสักอย่างหนึ่งเราก็อยู่เฉยๆไม่ได้แล้วใจเราจะต้องลื่นลนหาวิธีหาเสียงหาอะไรต่างๆมาเพื่อทำให้เราได้รับเลือกตั้งเข้าไปเป็นสมาชิกเป็นกำนันเป็นผู้ใหญ่บ้างหรือเป็นอะไรก็ตามถ้าเราไม่มีความอยากแล้วเราก็อยู่เฉยๆได้สบายไม่มีความอยากมีอยากเป็น นี่คือต้นเหตุของความไม่สบายใจข้อที่สองถ้าเราไม่อยากจะมีความไม่สบายใจเราก็ต้องตัดความอยากมีอยากเป็นไปข้อที่สความอยากที่ทำให้เรากระวนกระวายใจก็คือความอยากไม่มีอยากไม่เป็นเช่นอะไรไม่อยากอยากไม่จนอย่างนี้ไม่มีใครอยากจนกันอยากไม่แก่กันอยากไม่เจ็บไข้ได้ป่วย อยากไม่ตายอยากไม่พัดพากจากสิ่งที่เรารักไปอยากไม่ให้คนด่าเรานี่คือความอยากไม่มีอยากไม่เป็นถ้าเรายังมีความอยากแบบนี้อยู่เวลาเราเจอความแก่เราก็จะทุกข์เจอความเจ็บไข้ได้ป่วยเราก็ทุกข์เจอความตายเราก็จะทุกข์เจอการพัดพากจากกันเราก็จะทุกข์ เจอคนด่าเราเราก็จะทุกข์ดังนั้นเราต้องหยุดความอยากเหล่านี้ต้องยอมรับความจริงว่าเราห้ามความแก่ไม่ได้ห้ามความเจ็บไข้ได้ป่วยไม่ได้ห้ามความตายไม่ได้ห้ามการพัดพรากจากกันไม่ได้ห้ามคนไม่ให้ด่าเราไม่ได้เป็นเรื่องธรรมดาของโลกที่เรามาเกิดในโลกนี้เราต้องฉลาด ต้องรู้ทันถ้าเรารู้ทันแล้วเราไม่ไปอยากไม่ให้เกิดขึ้นใจของเราก็จะไม่เดือดร้อนเช่นใจเราไม่เดือดร้อนกับฝนตกแดดออกเพราะอะไรเพราะเรารู้ว่ามันเป็นเรื่องที่จะต้องเกิดขึ้ น, เ ป, นเป็นเรื่องที่เราห้ามไม่ได้เช่นใดเรื่องของความแก่ความเจ็บความตายของการพลาดพาดจากกัน ของกอรถูกคนนั้นคนนี้ดา่าเรานินทากลรหาต่างๆนานาใส่ร้ายใส่ความก็ต้องถือว่าเป็นเรื่องปกติเหมือนฝนตกแดดออกสิ่งที่เราทำได้ก็คือหยุดความอยากความไม่อยากให้สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นเท่านั้นเองถ้าเราหยุดได้แล้วเวลาเกิดขึ้นเราก็ไม่เดือดร้อนเช่นฝนตกเราก็ไม่เดือดร้อนแดดออกเราก็ไม่เดือดร้อน พระอาทิตย์ขึ้นพระอาทิตย์ตกเราก็ไม่เดือดร้อนแต่ทําไมเวลาร่างกายเราตายเราถึงเดือดร้อนก็เพราะว่าเรายังมีความอยากไม่ให้ร่างกายนี้ตายนั่นเองเพราะเราเรายังหลงยังเราไม่รู้ว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราของเรานั่นเองมีพระพุทธเจ้าเพียงพระองค์เดียวเท่านั้นที่สามารถเห็นได้จากการปฏิบัติจิต ภ, ภาวนา เวลาพระ อ, องค์ทรงภาวนาจิตสงบพระ อ, องค์จะทรงเห็นสองส่วนในตัวเราเห็นร่างกายและแห่งจิตใจปกติเวลาเราไม่ได้นั่งสมาธิทำใจให้สงบเราจะเห็นเพียงส่วนเดียวเราจะเห็นเพียงร่างกายเราจะไม่เห็นจิตใจแต่พอทำใจให้สงบแล้วเราจะเห็นร่างกายหายไปแล้วก็จะเหลือแต่ จิตใจผู้รู้อยู่ตามลำพังเราก็จะรู้ว่าเรานี้ไม่ได้เป็นร่างกายเราเป็นผู้รู้เราเป็นผู้คิดเราเป็นผู้สั่งให้ร่างกายทำอะไรต่างๆร่างกายไม่ใช่ตัวเราของเราเราก็จะสามารถยอมรับความจริงของร่างกายได้ว่าเป็นเรื่องธรรมดาของร่างกาย ที่เกิดมาแล้วจะต้องแก่จะต้องเจ็บจะต้องตายเป็นธรรมดาเราก็จะทำใจได้ไม่ต่อต้านไม่อยากให้ไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายได้นี่คือการภาวนาที่เรียกว่าการใช้ปัญญาขั้นต้นก็ภาวนาทำใจให้สงบก่อนเพราะใจยังไม่ท่าใจไม่สงบนี้ จะไม่มีกําลังไปพิจารณาทางปัญญาเพราะกิเลสจะดึงเอาไปคิดทางกิเลสให้ไปคิดว่าจ ะ, จะต้องไม่แก่ต้องไม่เจ็บจะต้องไม่ตายแต่นี่เป็นความคิดที่ผิดกับความเป็นจริงความจริงนี้ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายแต่เราจะไม่มีวันที่จะคิดตามความจริงได้ถ้าเราไม่ทำใจให้สงบเสียก่อนเพราะกิเลสยังมีกาลังมากอยู่ ถ้าเราทำใจให้สงบได้ก็เท่ากับฉีดยาสลบให้กับกิเลสนั่นเองพอใจสงบแล้วความคิดที่จะไม่อยากตายไม่อยากแก่ไม่อยากเจ็บมันก็จะสงบตัวชั่วคราวก็จะทำให้เรามองเห็นความจริงได้มองเห็นความจริงว่าจะต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเมื่อเราเห็นบ่อยๆเข้าแล้วเราเห็นว่าร่างกายไม่ใช่ตัวเราของเราเราจะไปทุกกับร่างกายทาไม ใจไม่ได้แก่ไม่ได้เจ็บไม่ได้ตายแต่ใจกลับไปทุกข์แทนร่างกายร่างกายที่จะต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเขากลับไม่ทุกข์เพราะเขาไม่มีความรู้สึกเขาไม่มีความรู้ในตัวของเขาเขาไม่รู้ว่าเขาจะต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายนี่คือเรื่องของปัญญาที่จะเกิดขึ้นได้หลังจากที่เราทาใจให้สงบ และก่อนที่จะทำใจให้สงบได้ก็จะต้องเจริญสติก่อนก่อนจะเจริญสติได้ก็ต้องปลีกุ้เว่ชอบอยู่ตามลำพัชอบอยู่กับความสงบคนที่จะอยู่แบบนี้ได้ก็ต้องมีศีลชอบรักษาศีนโดยเฉพาะสีนแปสีห้านี้ยังไม่มีกำลังพอที่จะสนับสนุนการปฏิบัติจิตตภาวนาต้องรักษาศีนแปดให้ได้ ผู้ที่จะรักษาศีลแปได้ก็ต้องรักษาศีลห้าให้ได้ก่อนผู้ที่จะรักษาศีลห้าได้ก็จะต้องทําบุญทําทานให้ได้มากก่อนไม่ยึดไม่ติดไม่โลภไม่อยากกับทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองนี่คือขั้นตอนของการปฏิบัติที่ผู้จเจ้าสงสอให้ปฏิบัติต้องเริ่มต้นจากขั้นต่ําไปสู่ขั้นสูงถ้าเรายังทำทานไม่ได้รักษาศีลไม่ได้ แล้วเราจะไปปฏิบัติจิตตภาวนานี้เราจะปฏิบัติไม่ได้หรือถ้าปฏิบัติได้ก็ปฏิบัติแบบเพียเพ้ยนๆปฏิบัติแบบคนเสียสติอย่างที่เราเคยได้ยินได้ฟังว่าคนภาวนาแล้วมักจะเป็นบ้าันก็เพราะว่าเขาไม่มีฐานรองรับเขาเข้าเขาข้ามขั้นไปเขาไม่ทําทานก่อนไม่รักษาศีลก่อนยึงขอฝาก เรื่องของการมาวัดเพื่อมาสร้างความสุขที่แท้จริงคือความสุขที่เกิดจากความสงบของใจด้วยการทำบุญให้ทานด้วยการรักษาศีลด้วยการเจริญจิตตะภาวนาและด้วยการฟังเทศน์ฟังธรรมนี้ให้ท่านได้นำเอาไปพินิจพิจารณาและปฏิบัติเพื่อความสุขที่แท้จริงที่จะตามมาต่อไป การแสดงก็เห็นว่าสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขอคุณพระศรีรัตนตรัยและบุญคุศลที่ท่านได้มาบำเพ็ญกันในวันนี้ <c oughs> จงเป็นเหตุเป็นปัใจจัยให้ท่านมีแต่ความสุขและความเจริญแข้าวกร่งปลอดภัยจากทุกภัยอันตรายทั้งหลายทั้งปวงโดยทั่วหน้ากันเทอ